พอหลักการทำวิปัสนาเน้นที่ความเข้าใจเน้นความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่เราทำเราทำสิ่งในที่มีความเข้าใจมีเหตุมีผลที่ถูกต้องสอดคล้องกันไปตามหลักธรรมมันก็ทำให้เราได้ เข้าใจในสภาวะธรรมต่างๆที่เรายังไม่เคยเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในหลักสติปัฏฐานสแบบเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็เน้นการจะทำให้กายกับใจอยู่ร่วมกันสัมผัสสัมพันธ์กันเป็นหลัก <c oughs> ซึ่งตอนกลางวันเนี่ย มาก็เดินดูนะักปฏิบัติซึ่งมีบางท่านถามว่าเอา๊เรานั่งปฏิบัติโดยการเคลื่อนไหวเนี่ยใครว่าเราจะทำไปถึงขั้นไหนอย่างไรมันจะรู้อย่างไรใครว่าสงสัยว่าจะให้กายกับใจอยู่กันแค่นี้หรือมันจะมีอะไรไปมากกว่านี้ นีขอ้อคิดซึ่งตามหลักแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันเราปลูกต้นไม้ว่าเราเอามเมล็ดไม้ลงดินแล้วมีหน้าที่รดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างเดียวหรือไม่ต้องทำอะไรหรือแต่ใครถามอย่างนั้นหน้าที่ของเราอย่างมากที่สุดทำ กก็คือดูแลไม่ว่าการปลูกต้นไม้หรือเพาะเม็ดก็ตามเนี่ยถ้าเราทำถูกเหตุมันถูกก็คือเราจะเห็นว่าเม็ดมันค่อยแตกเติบโตขึ้นไปซึ่งโดยสภาว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเราไปทำอะไรมันไม่ได้เรามีหน้าที่ทำเหตุให้มันถูกจะปลูกต้นไม้ก็มีหน้าที่ปลูกปลูกแล้วก็ดูแลรดน้ารักษา สิ่งที่มันจะมากระทบกระแทกมันล้มมันหักมแมลงมันจะกัดอะไรอ่างนก็ดูแลแค่นั้นแต่หน้าที่การเติบโตเนี่ยเป็นหน้าที่ของต้นไม้เป็นหน้าที่ของเมล็ดไม้เราไม่มีสิทธิอะไรเลยที่จะไปช่วยมันดึงยอดดึงกิ่งดึงก้านให้มันโตวันโตคืนตามที่เราต้องการถามว่าเอเราดูแลต้นไม้แค่นี้หรือเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครถามกันเพราะว่าเป็น ธรรมชาติที่เราเข้าใจกันดีมันจะเติบโตช้าเร็วอะไรต่างๆเนยเราอยู่ที่เหตุเราดูแลเอาใจใส่แต่การเติบโตเป็นหน้าที่ของต้นไม้ซึ่งเราจะต้องเข้าใจและอดทนดูมันไปเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าเราก็ไม่ได้แปลกใจว่ามันโตช้าตัตไวแล้วก็ สามารถรอคอยได้กับต้นไม้ะมะเมล็ดพืชที่เราปลูกลงไปเพราะเรารู้การเวลาอายุมันเป็นอย่างดีว่าถึงเวลาเท่านั้นจึงจ ะ, ะกินได้ถึงเวลาเท่านั้นถึงจะใช้ได้ตามประเภทตามเอาพันธุ์ของมันว่ามันจะมีอายุเท่าใดจึงจะพลิดอกออกผลนี่เราไม่ค่อยสงสัยแต่ในแง่ของการเพราะปลูกกายกับใจให้มันดึน ต้นแห่งโพธิเนี่ยเรามักจะสงสัยว่าเอ้เราทำแค่นี้เหลือเราไม่ทำอะไรเลยเราก็ทำแค่นี้จริงๆคือการาเตรียมเหตุปัจจัยให้พร้อมเท่าที่เราเตรียมคือการกำหนดรู้กายรู้ใจให้ให้มันอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วสภาวะธรมต่างๆเนี่ยมันจะเป็นของมันเอง มืนต้นไม้เนี่ยแต่เราก็อดที่จะแทรกแซงไม่ได้เพราะว่าด้วยความไม่เข้าใจด้วยความสงสัยของเราเองเนี่แหละแทรกแซงว่าเอตัวไหนมันเป็นรูปตัวไหนเป็นนามเราก็พยายามคิดช่วยมันให้มันโตวไว้วต้นไม้เนี่ยเราจะนั่งคิดช่วยมันวั น, วนละกี่ร้อยกี่พันหนุนมันก็โตเท่าที่มันโตนั่นแหละ มันไม่ได้โตตามที่เราตั้งใจปรารถนาและคิดช่วยมันเข้าใจไหม ม, มันเป็นธรรมชาติที่อะไรบางอย่างที่เป็นอย่างนั้นจริงๆมาเมื่อก่อนอามาก็ไม่เข้าใจพยายามคิดช่วยมันถึงง้นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็ส่วนใหญ่ก็ทําอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยนอกปฏิบัติแในที่สุดถ้าเราไปช่วยต้นไม้ให้มันโตวไวๆเนี่ยเป็นไงแทนที่ต้นไม้จะโตมันตายจ้อยหละ ไปขุดไปเกาไปดึงไปใส่ปุ๋ยใส่น้ำเยอะๆเนี่ยต้นไม้ก็ตายได้เหมือนกันเหมือนกันน่ในการบมเพราะกายใจรูปนานี้ให้ให้เกิดสภาวะทาตัวเติบโตตามลำดับเนี่ยในแง่ของรูปเราทําได้เราอาจจะแต่เราก็ทําได้ลิมิต ตามที่มันเป็นนั่นแหละสมมติว่าเรามีห่อพันุ์ของเราว่าเราต้องสูงไม่เกินหนึ่งเมตดครึ่งอย่างเี้ยนะแต่เราจะถูกอยากจะสูงถ้าสองเมตรหรือสามเมตรอย่างเงี้ยทั้งตาทั้งตาบํารุงดูแลเอาใจใส่มันอย่างดีเพื่อให้มันสูงตามที่เราต้องการนะมันเป็นไปได้ไหมไ <c oughs> ม่หวังให้ตายแน่กอได้ถึงสามเม็ดเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแม้แต่ในรูปเองเด็กก็ทําอะไรตามใจเราไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นอนัตตานะเพราะฉะนั้นนามก็เหมือนกันะเราต้องการที่จะให้มันเข้าถึงมากถึงผลไวๆต้องการที่ให้มันรู้นั้นรู้นี้ไวๆมันมันไม่ได้มันผิดธรรมเพะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือจะต้องทําเหตุให้มันถูกนั่นแหละเหตุว่าพุทธเจ้าเองท่านก็ตัดเอาไว้ว่า สิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุอยให้มันโตไวโตวช้าก็ดูที่เหตุในแง่ของตัวมันเองเนะี่ยเราก็ไปทําอะไรมากไม่ได้เราตัดอยูอย่างนี้เสมอนะเอวังวาทีมหาสมณูเพราะฉะนั้นเมื่อกายกับใจมาอยู่ด้วยกันลูกกับน้ำมาอยู่ด้วยกันนานๆมันเกิดอะไรเหมือนกับน้ํากับดินเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนานๆนะมันเกิดอะไรบางทีพืชพันธุยาหารเราไม่ต้อง ไปปลูกไปฝังไดยซ้ำไปขึ้นเองหากที่เราเก็บกินตำป่าตามเขานี่ไม่เห็นได้ปลูกเลยแต่ขอให้มีน้ำมีดินที่มนอยู่ร่วมกันานานๆก็ได้กันกายกับใจเมือกันถ้ามาอยู่ร่วมกันานานๆไปเนี่ยคุณธรรมต่างๆบางที่มันเกิดขึ้นเองอาจจะไม่ต้องคิดปลูกฝังอะไรมากนะโดยธรรมชาติซึ่งในส่วนที่เป็นรูปธรรมเนี่ยเรายอมรับความเป็นจริงมันได้ เพราะเรามีการศึกษาที่เป็นกระบวนการจับต้องได้เราไม่สงสัยแต่ในแง่ของนามธรรมเนี่ยมันเราไม่มีประสบการณ์เราจับต้องมันไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเราก็ทำตามหลักที่พระญาณตัดเอาไว้ว่าเฝ้าดูกายตามดูกายสัตวะวกาย แล้วก็ทําความเข้าใจว่ากายนี้ศัตว์กายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขารูปศัตว์รูปนามศัมตวะน้ำรู้อย่างนี้แหละอันนี้คือหน้าที่ของเรานะหน้าที่ลดน้ําถ้าจะมีการคิดก็ลักษณะอย่างนี้ให้คิดให้ถูกคิดว่ารูปนี้ศัตว์รูปแต่ถ้าหากว่าเราไปคิดเกินเลยกว่านั้นรูปนี้เป็นเราเรานี่เป็นรูปอะไรเนี่ก็ชักแก ไม่ถูกล ะ, ะรูปนี้ไม่ใช่เราเรานี้ก็ไม่ใช่รูปแต่ ม, มื่านั้นก็เป็นสักแต่ว่าประเป็นมันนั่นแหละยอมรับความเป็นจริงของมันทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราดู ก, กายเป็นเนี่ยเรารู้จากรูปจากนามเพราะเรารู้สักแต่ว่ารู้โดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรเนี่ยมันก็จะเห็นได้ความรู้สึกกายล้วนๆไอ้แล้วะสดงเห็นความรู้สึกทางกายล้วนๆไม่มีเราไม่มีเขา อยู่ในนั้นเนี่ยรูปนามปรากฏละยิ่งเห็นเด่นชัดขึ้นไปแล้วลูความรู้สึกที่ปรากฏในกายในใจเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็จะเริ่มรู้ด้วยตัวเองละนะเขาจะบอกได้ไม่ไมยากใช่ไหมเราดูความรู้สึกไป น, นานดูไปนานเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไร เห็นตลอดเวลาเลยโดยที่ไม่ต้องนึกต้องคิดเลยคืออะไรเห็นอะไรคำตอจะออกมาเหมือนกันหมดเลยใช่มเห็นทุกเห็นทุกคนเลยความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์เห็นทุกเห็นอยู่อย่างนั้น เหตุทุกข์ดูทุกวันทุวันไอ้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์มันก็เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆทีนี้เรายอมรับมันไหมทุกข์มันลูออกมาในรูปทุกขเวทนาวันนั้นจึงอยากจะเน้นวันนี้ว่าเป็นดูเวทนาดูเวทนาให้ชัดการที่เราจะต้องพลิกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอะไร ต, ต่างๆเนี่ยเพราะทุกขเวทนาบังคับเราให้เป็นถ้าเราไม่มีทุกขเวทนาบังคับเนี่ยเราก็ไม่ได้พลิกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอะไรยากลําลบาก พอมนรู้ว่ามันเป็นทุกขเวทนาก็ต้องตามดูเข้าไปอีกว่าเวทนานี้ก็ไม่ใช่เราอีกกายนอกจากกายม่เวทนานี้ก็ไม่ใช่เราเวทนาเนี่ก็เป็นสัตวเวทนาอีกคือสัตวว่าความรู้สึกเย็นละอ่อนแข็งเค็งตึงไหวความรู้สึกที่เป็นเวทนาเย็นละอนแข็งเค็งตึงก็ไม่ใช่เราอีกล้นี้เวทนาสักทเวทนาความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็สัตวว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่สัตว์บุคคลโดย คนเราเขาเมื่อไหการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยเพื่อที่จะบำบัดทุกเวทนานะทุกเวทนาทางกายบำบัดแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวทุกเวทนาทางกายไม่ได้ถูกบำบัดอย่างถูกต้องมันก็ตัวนี้แหละมันก็จะไหลไปสู่นามกลายเป็นทุกเวทนาทางจิตขึ้นมาตัวนี้เราแสดงว่าเรา ไม่ได้ดูมันชื่ อ, อแล้วไม่ใช่สัตวว่าเวทนาทางกายแล้วมันก็จะกลายไปสำคัญมันหมายเวทนาทนี่เป็นเราก็เกิดไปเวทนาทางจิตขึ้นมาเป็นพอใจไม่พอใจเวทนาทางากายคือสบายไม่สบายชื่อๆเฉยๆพอไหลไปเวทนาทางจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นตัวพอใจไม่พอใจเรียกว่าโทมนั โสมนัตโทมนัตขึ้นมาทีนี้เราก็ดูความรู้สึกอันเนี้แล้วก็บําบัดมันไปอันไหนที่มันเกินทนไม่ได้ก็บำบัดไปอันไหนที่มันพอทนได้ก็ทนมันไปเปลี่ยนอยู่อย่างเงี้ยตลอดแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังไม่ยอมรับมันเราก็ยังเห็นว่าเวทนานี้เป็นเราอยู่ เรารู้สึกสบายไม่สบายเราชอบอย่างนั้นเราไม่ชอบอย่างนั้นเราก็จะพออันไหนที่สบายเราก็จะแสวงหาเพิ่มพูนอันไหนที่ไม่สบายเราก็ปฏิเสธวิ่งหนีแล้วก็ไม่รับไม่เอานี่ที่มันยากตรเนี้เพราะนั้นการที่เราต้องทําให้กายกับใจมาตรงกันให้ได้เนี่ยเพื่อที่ใจว่าให้มันมันมองไอ้ตัวทุกเนี่ยเป็นอย่างอื่น นะไม่ได้มองตัวทุกข์เป็นเราเป็นใครทั้งนั้นแต่มองตัวทุกข์นี่ศัตรว่าเป็นความรู้สึกที่มีอยู่เป็นความจริงที่มีอยู่เป็นความจริงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันนะตั้งแต่เราเกิดจนตายเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นความรู้สึกเย็นร้อน่อนแข็งเค่งตึงตั้งแต่เราเกิดจนเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเคยเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไหมสมัยเล็กๆเราเย็นอีกแบบหนึ่งสมัยนี้มันเย็นไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นไหม สมัยเล็กๆเราปวดขาแบบหนึ่งพอมาสมัยนี้ปวดขามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันไม่เป็นอย่างอื่นเลยนะมันก็เป็นมันมาโดยตลอดนี่เขาเรียกเป็นความจริงแท้มันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ด้วยความที่มันไม่ได้ถูกพิจารณาไม่ได้ถูกสังเกตไม่ได้ถูกตามบูฟเฝ้าดูศึกษาอย่างจริงจังต่อเนื่องเนี่ยไอ้ตัวทุกวัยทนานี่แปลเปลี่ยน จิตใจของเราไปนานับประการสารพัดที่เราเรียกว่าสังขารนะความเปลี่ยนแปลงของทุกต่างๆที่เป็นไปในากายเนี่ยมันก็คอยไปเปลีป่ยนแปลงจิตด้วยเราก็จะวิ่งหนีทุกที่เราไม่ชอบแล้ววิ่งหาสุขที่เราชอบไอการวิ่งหนีทุกที่เราไม่ชอบเรียกว่าเป็นปฏิฆาโทสะ วิ่งหาสุขที่เราชอบเราเรียกว่าลาคากามะโลภะไป <c oughs> แล้วเราก็ไม่เข้าไปรู้ตามความเป็นจริงเข้ามันแล้วก็วนอยู่แค่สองวิ่งวนอยู่แค่สองอันนี้เป็นโมหะหลงลืมไปอยู่แค่เนี้วนไปแล้วก็แตกงอกออกกิ่งไปเป็นกิเลส ต, ตัวเล็กตัวน้อยต่างๆตัวมีด้วยนีสามตัวเนี่ยเป็นเป็นมูลเป็นหลัก โดยมีชอบไม่ชอบเฉยๆเนี่ยเป็นหลักพอใจไม่พอใจเฉยๆเยป็นหลักแล้วมันก็ไ pues อ้สามกลุ่มเนี่ยเีก่าอกุศลมูลเนี่ยมันก็พัฒนารากออกไปมากมายในทีนี้เป็นกิเลสตัณหาปรรธนดูแล้วมันไม่ด้วยความไม่รู้อะนะมันถึงได้แตกกระจายออกไปเยอะแยะมากมายไปหมด ดังนั้นนะวันนี้เนี่ยเรามาปฏิบัติเพื่อกับมิดสู่ต้นเขาเหล่าก่อเดิมของของของความรู้สึกนะความรู้สึกกายมันก็ไม่มีอะไรมากกว่า น, นี้เย็ยนแล้วน อ, อนแข็งแข่งตึงทนได้ก็ทนทนมไม่ก็เปลี่ยนอยู่อย่างนั้นแหละถ้าก็ยอมรับความเป็นจริงของมันพอยอมรับความจริงของมันจิตมันก็ไม่ซัด ส, สายไม่แปรปลวนไม่ไหลไม่ปรุง ตรงนี้คือยอมรับความเปจริงว่าสักดิ์ว่ามันเป็นมันจริงๆไอการที่หลงคิดไปตลอดชีวิตเนี่ยมันหลงไปนี่เป็นโมหะแต่เราก็ไม่ยอมรับว่าเราหลงไปหรอกเราก็ยอมรับว่าเออมันเป็นอย่า ง, ง, น, ง น, าา น, นั้นขคงมันก็ทําตามดังนั้นพุทธศาสนาเนี่ยทางฝ่ายอินเดียหรือพราหมเขาจึงรับไม่ได้เขารับไม่ได้เพราะว่ามันตรงมันซื่อมันนี้เกินไป มันง่ายเกินไปไม่สอดค้องกันเขาคิดอย่างนั้นนะแต่ความจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะ <c oughs> นั้นในแง่ของการมารู้เนี่ยตัวไหนเด่นชัดที่สุดให้รู้ตัวนั้นนะอย่างกายเนี่ยเ ร, รู้ว่าเรามีกายเพราะเราเป็นตัวแสดงตัวอาการของเวทนาแสดงว่าเรามีกายเรารู้สึกได้แต่ถ้าหากกายเนี้ยเกิดไม่แสดงเวทนาเป็นเครื่องหมายรู้เนี่ย กายนั้นก็ผิดปกติวิการเป็นอมพลึกอมาพาดตายซีกตายด้านไม่รู้สึกอันนี้นก็ผิดไปแล้วแต่โดยปกติเนี่ยต้องรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงเจ็บปวดตรงไห น, นเพราะมันเป็นสัญญาณบอกให้ร่างกายนี้ว่าเขาอยู่ได้หรือไม่ได้เลยสัญญาณบอกอันตรายคือเวทนาถ้ามันเกินไปอยู่ไม่ได้เขาก็บอกให้แก้ไขปรับไป โดยการที่เวทนาทมหน้าที่เป็นสัญญาณบอกว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยเนี่ยเราก็ไม่รู้หน้าที่ของเขาแต่เราไปหลงเอาในส่วนไหนที่เรารู้สึกปลอดภัยรู้สึกพอใจรู้สึกสบายเราก็ไปสำคัญมั่นหมายว่ามันน่าจะให้เป็นอย่างนี้ตลอดน่าจะสบายอย่างนี้ตลอดอ้าวเห็นสุขเวทนาเป็นของเที่ยงไว้แลไปพยายามที่ให้มันมันเที่ยงอยู่อย่างนั้นอะ เวลาเรารู้สึกเย็นสบายก็อยากให้มันเย็นสบายตลอดแต่เกิดมา เ, เ, เ, เ, เป็นอุ่นเป็นร้อนเป็นแสบเป็นคันเป็นอึดอัดเนี่ยไม่ชอบอีกแล้วขวนขวายหาทางแก้ไขดิ้นดนอยู่อย่างเนี้ยต่อสู้กับทุกข์ที่มันเข้าแล้วก็พยายามวิ่งหาสุขวิ่งหาความสบายตามที่เราต้องการแล้วก็ยิยินอยู่สองขวานี่เนี่ยนะฮ ถ้าสุดตรงไปยึดทางสุขเวทน า, ากรรมสุขานิการนโยคถ้านวิ่งหนีทุกเวทนาก็เป็นอจักกิลมฐ า, านุโยกแต่พระพุทธเจ้าพรค้นพบว่ามันไม่ใช่เราไม่ต้องวิ่งเอาเราไม่ต้องวิ่งหนีให้มาอยู่ตรงกลางให้ได้สุขก็อย่าไปวิ่งตามมันทุ ก, ก็อย่าไปวิ่งตามให้ดูตรงกลางๆให้ได้ที่พระองค์ค้นพบทางสายใหม่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทา แต่ตามตำราก็ว่าไปแบบนะั้นทรมานตัวเองให้ลำบากก็ว่าไปแต่ใ น, นแง่ของภาคปฏิบัติต้องมาดูให้ให้เห็นใกล้ๆตัวนี้แหละไอทางสุดตงเนะี่ยถ้าเราไปเอ า, เอาไปวิ่งหนีทุกขเวทนาก็เป็นสุดตรงอีกทางหนึ่งไปวิ่งตามสุขเวทนาก็สุดตรงอีกทางหนึ่งนะก็กลายเป็นทางสุดตง แต่ทางที่พระองค์ค้นพบคุณว่ามาอยู่ตรงกลางมาดูตรงกลางดูให้เป็นกลางกลางดูสุขก็ดูให้เป็นกลางกลางดูทุกข์ก็ให้ดูเป็นกลางๆางสุขก็ไม่ต้องวิ่งเอาทุกข์ก็ไม่ต้องวิ่งหนีให้ดูเป็นกลางๆงให้ดูเฉยๆนี่เป็นมัชชิมาปฏิปทารู้ชื่อๆนี่ที่เรามาใช้ในสำนุนพุทธเห็นรู้มันชื่อๆนี่แหละมันจะเป็นอะไรไปก็ให้มันเป็นแต่รู้มันนาน แต่ส่วนใหญ่แล้วรู้ซื่อๆรู้ไม่นาน พ, าพอเพลอปั๊บเอาเวี่ยงไปทางใดทางหนึ่งซะและ้วอย่างเช่นว่าเราเรานั่งปฏิบัตินะ่ะพิสูจนดูก็ได้เพรานั่งปฏิบัติตอนชั่วโมงแรกๆก็รู้สึกออพอทนได้พอสบายอพอนานๆสักขี้เกียจที่จะเปลี่ยนแล้วขี้เกียจที่จะเปลี่ยนเบื่อที่จะเปลี่ยนแล้วก็แช่อยู่อาการอยู่นั่นนานๆพอแช่นานๆอาการอื่นแทรกเข้ามาแล้ว เกิดเบือ่อไหนลำคานาเกิดไม่สนุกขึ้นมาแปลบวนไปแล้ทีนี้แต่การที่เราเจริญสติเนี่ยเพื่อให้ดูมักตรงเนี้ยมักต้องทําให้มากทําให้เจริญคือหมายความว่าแก้ไขบ่อยๆขยันทําแก้ไขบ่อยๆ ข, า ย, ย, าข ย, ยัขายยานปรับบ่อยๆต้องทําให้บ่อยๆนั่นแหละมักต้องทําให้มากแล้วก็ ในส่วนที่เป็นแก้ไขอะไรแก้ไขสมูทัยพราะแก้ไขเพื่ออะไรเพื่อที่จะละเพราะสมูทัยต้องละวะสมูทัยทางกายคือความไม่สบายทางกายมันเป็นสมูทัยละต้องละความไม่สบายทางกายการที่เราจะละตรงนั้นก็คือต้องปรับต้องขยับข ย, ยเยินเคลื่อนไหวในแง่ของกายแต่ในแง่ของจิตนั้นถ้าเป็นสมูทัย ถ้าเราปรับทางกายไม่ถูกปั๊บมันก็ไปเปียกเกาะสมุทัยทางจิตก็ให้ละอีกนะสมุทัยทางจิตคืออะไรก็อยากให้มันเป็นไปอย่าง like ที่เราต้องการไม่อยากให้มันเป็นไปอย่างท mm ี่เราไม่ต้องการไอการอยากไม่อยากกลับเป็นสมุทัยทางจิตความสบายไม่ปสบายเป็นสมุทัยทางกายความอยากและไม่อยากที่เกิดขึ้นกลับเป็นสมุทัยทางจิตในส่วนสมุทัยทางกายนั้นต้องพยายาม พยายามปรับเปลี่ยนไปตามเหตุบน้อยใหญ่ทั้งหลายให้มันพอดีปรับให้มันพอดีเห็นไหมปรับให้สู่มัชชิมาปฏิปทาอยู่ได้ไปบังคับมาให้มันปวดเลยนั่งให้มันหายปวดของมันเองอย่างบางคนทาอย่างนั้นนะอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วดังนั้นในหลักมัชชิมาปฏิปทาธนี้ก็คือการเข้าไปอทำให้มันพอดีความอยากอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้น อยากจะให้มันสงบอยู่นานๆอันนี้ก็เป็นกามาสุขานุกัลไม่อยากจะให้มันฟุ้งอันนี้ก็เป็นอัตติมัานุโยกแล้วนะในทางที่ถูกก็คือคือตัวรู้เนะี่ยตัวรู้ที่เข้าไปรู้ว่ามันอยากก็ดีมันไม่อยากก็ดีเนะี่ยเข้าไปรู้อาการที่มันเป็นเนี่ยกับเป็นหลักมัชชมาปฏิมาฐานโดยที่ไม่ต้องตาม <c oughs> เดินรู <c oughs> กำหนดรู้รรมันเฉยๆเนี่ย โดยที่ไม่ตามมันไปทั้งสองอาการเพราะฉะนั้นในในฐานะเราเป็นมนุษย์เนี่ยไอการที่จะนั่งปรับกายปรับใจก็เดยมมันไม่ได้อยู่เฉยเฉย่างนะตามนั้นยามตามที่โยมดูว่าเออปรับแค่นี้อ่ะดูแค่นี้มันไม่ได้แค่นี้หรอกแต่ภายในเ้าทำเขาเองเหมือนอย่างที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นหน่อยการที่เราปลูกต้นไม้ลงไปเนี่ยมีหน้าที่รดน้ําใส่ปุ๋ยพ่นดินมันแค่นี้เลยนี่หน้าที่ของเราแค่นี้จริงๆแต่ว่าต้นไม้ที่เราปลูกเราดูแลมันทุกวันมันได้แค่นั้นนะ่ะ เคยดูไหมสามวันห้าวันเจ็ดวันสามเดือนหเดือนเจ็เดือนต้นไม้ไม่ได้อยู่แค่คืบไข้สองลอะมันไปของมันเรื่อยๆแต่มันไม่อยู่แค่นั้นแต่ว่ามันต้องเป็นโดยธรรมเขาเรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นของมันเองตัวสภาวะทำถ้าเราทําถูกต้องแล้วมันเติบโตของมันเองโดยที่ไม่ต้อ ง, งสงสัยว่าจะไปทําอะไรมันอีก แต่ว่าเราก็คุ้นว่าเออเมื่อเราจิตเราสงบแล้วนะยกจิตขึ้นสู่ใจรักพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็จะถูกสอนมาอย่างเงี้ยเราก็ทำอันนี้เป็นการแทรกแซงธรรมละเพราะฉะนั้นเราเราก็เข้าไปให้ความสำคัญมั่นหมายไปแปลงธรรมว่าถึงนะ ความจริงธรรมะมันมันมันมันมีความพร้อมมีความสมบูรณ์ในตัวของมันอ่ะมันมีความสมบูรณ์การที่เราไปจัดการไปแทรกแซงนั้นต่างหากที่มันมีปัญหาการที่เราก็ไปแทรกแซงคิดขึ้นมาแม้แต่คิดดีนะมันก็ถือว่าเป็นการผิดหน้าที่ของมันละไม่ปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นแล้วทำหน้าที่ดูกายดูใจแค่นี้ทำแค่นี้จริงๆอ ซึ่งมันก็ไม่ง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ยากมันทำได้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งพรหมชื่ออะไรจำไม่ได้เขาพรหมนี่อายุยาวใช่ไหมอายุยาวหลายหมืน่นหลายแสนปีเพราะเขาติดในในความสงบแล้วพรหมนี้ก็แปลกเขามีฤทธิ์เขาสามารถเที่ยวเออเดินไปทั่วจั ก, กรวาล เขาแสวงหาที่สุดว่าจักรวาลโลกนะี้ไปที่สุดที่ไหนเมื่อหลายหลายพันปีแล้วไม่เคยไม่หาที่สุดของของโลกของจักรวาลเนนะี่ยไม่เจอทีนี้เขาก็ไปถามพรหมคนอื่นว่าใครรู้เรื่องนี้บ้างไอ้ท่นหามาหลายพันปีหลายหมื่นปีนะั้นไม่เจอนะก็มีพรหมผู้ฉลาดผู้หนึ่งบอกว่าไม่มีใครรู้จักนอกจากพระอ่า สมาสัมพุทธะซึ่งอุบัติขึ้นแล้วในโลกอยู่ที่ชมพูทวีปถ้าเธออยากจะรู้เธอต้องไปถามดูก็ไปนะก็ไปไปถามพุทธเจา้าว่าข้าพเจ้าได้ท่องเที่ยวไปในจักรวาลต่างๆทั่วเพื่อที่หาที่สุดของมันแต่ว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดนั้นได้ทราบว่าพระสมณาโคดม ได้ทราบเรื่องนี้ข้าพเจ้าอยากจะทราบด้วยขอให้ท่านได้ได้บอกนะพระพุทธองค์เขาแต่ว่าดูก่อนพรมเราบัญญัตในร่างกายอันกว้างสอกยาววานาคืบนี้คือที่สุดของโลกที่สุดของจักรวาล น, นอกจากนี้ไม่มีว่าเง้นโอทำไมมันง่ายขนาดนั้น บัญญัติว่าในร่างกายอันกว้างสอกยาวานาคืบนี้คือที่สุดของจักรวาลเพราะร่างกายกว้างสอกยาวานาคืมนี้คือรูปจำลองของจักรวาลทุกจักรวาลมารวมที่นี่หมดดินน้ำรวมไฟที่อยู่ในร่างกายอันนี้กับดินน้ำรวมไฟที่มีอยู่ในจักรวาลไม่ได้ต่างกันเลยถ้าหา ที่สุดของดินน้ําลมไฟในในร่างกายในรูปนามอนี้จบก็หมายความว่าคุณก็ไปที่สุดของโลกของจักรวาลมันจะมีคือหมื่นกี่แสนล้านจักรวาลก็ต่างมันจะมีอยู่แค่นี้คุณหาตรงนี้ให้เจอหาที่สุดของโลกตรงนี้ให้เจออือันนี้คือคําตอบของพุทธองค์อ่าแล้วที่สุดของลูกของนามอ น, นี้คืออะไรมันก็ง่ายขึ้นมาสิที่สุดของมันคืออะไร รูปนามนี่คืออะไรรูปคืออะไรนามคืออะไรคือทุกข์ใช่ไหมอ่ารูปนามนี่คือก้อนทุกข์อันหนึง่งเพราะฉะนั้นเวลาเราสวดธรรวัตรทวนเกวรสะทุกขะขัณสะอันตรกิริยายะสังวัตตุขอให้รมเจริ์ของเราทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อการทําที่สุดของอะไรของทุกข์ การทำที่สุดของทุกคือทำให้รู้ที่สุดของลูกของน้านั่นแหละเพราะเรารู้ว่ารูปน้านี่เป็นทุกการหาที่สุดของลูกของน้ำคือหาที่สุดของทุกะนะั่นเองเราปฏิบัติเพื่อใจ ด, ดูที่สุดของทุกทุกว่าที่สุสิ้นสุดตรงไห น, นอ่าตรงนี้คือเราจะต้องหาคำตอบละสิ้นสุดตรงไห น, นพ่อพุทธทาท่านสรุปไว้สั้นๆว่าสพเพธมานาลังอภินิเวสายะ อการสิ้นสุดของการยึดมั่นถือมัน่นการไม่ยึดมั่นถือมันอ่นนั่นแหละคืออันที่สุดของทุกเห็นไหมดังนั้นก็ต้องสำรวจลงไปว่าที่เราปฏิบัติเนี่ยเรายังยึดถืออะไรอยู่ไหมถ้าตรบใดเรารู้สึกว่าต้องยึดอันนั้นอันนี้อยู่เนี่ยก็ทําไปเรื่อยๆทําไปจนกระทั่งถึงวันหนึ่งความรู้สึกว่ายึดมันหมดไปอนนันที่สุดทุกก็ปรากฏตรงนั้น เพราะไม่ถือมันโดยอุปาทานดังนี่แหลเวลาเราสวดในอาทิตย์เต็ระยะสุด <c oughs> นั้นเองการเจริญสติ น, น้อยๆอย่างนี้นะมันมีอนุภาพมากแต่ทําไมมันจึงช้าบางคนทํามานานยังไม่รู้อะไรเลยเนะี่ยเพราะเราไปแทรกแซงฉันก็ปลูกต้นไม้ต้นนี้มานานแต่ไมันไม่โตก็จะไปโตได้ไงคุณไปช่วยมันเยอะเกินไปไปดึงที่แดงมันก็ถอนไปดึงที่แดงมันก็หลุดคุณอยากอยากให้มันโต แต่ไม่ไปถึงเวลาที่จะโตแต่คุณไปดึงยอดมันให้มันโตยอดมันขานบ้างล่ากมาหลุดบ้างดีเนี่ยมันไม่ตายอ่าส่วนใหญ่มันก็ตายพอเราไปแทรกเขาปล่อยไม่อยู่งั้นแหละแต่คุณหน้าที่เนี้ยที่ดูแลเอาใจใส่รดน้ําใส่ปุ๋ยปนดินก็ก็ทําหน้าที่แทนไปแล้วต้นไม้ก็เติบโตของมันเองเหมือนกันดูกายดูใจไปเรื่อยๆไม่ว่าทํารือรูกายดูใจไปเรื่อยๆแต่หยิบใจหยับใจจับใจเฉยหน้าที่ของเราก็ดูกายดูใจเท่านั้นะ แต่ไม่ใช่อย่างนั้นดิพอเราจะไปทํานอกเหนือจากการปฏิบัติเราไปทําอื่นปั๊บเป็นอย่างอื่นไปเลยมันไม่ใช่เป็นกายเป็นใจไม่ใช่เป็นรูปเป็นนามแล้ว น, นี่คือข้อผิดพลาดของมันมันดีช้าไงที่จะทํำยังไงก็เพราะไอการตอกย้ําถึงความรู้สึกตัวนี้มัมั่นคงเวลาจะไปทําอย่างอื่นปั๊บมันหลุดเลยมันหลุดเลยดังนั้นเวลามาเนี่ยไม่ต้อง ไม่ต้องคิดทําอะไรมากแล้วเออทําแค่นี้ฉันก็กลับไปทําที่บ้านก็ได้นะไม่น่าจะมาไกลขนาดนี้ใช่ไหมแต่เวลาไปทําที่บ้านจริงๆมันทําได้หรือเปล่าล่ะ <c oughs> เออลองดูสิว่ามันมันง่ายหรือมันยาก <c oughs> แค่ก้าวขาออกจากวัดเนี่ยมันก็โทรศัพท์เปิดโทรศัพท์เข้ามาในสายไหนตัวสายไหนกริ้งกรังมึงหมดเอานะขอ้อความไหนตัวขอ้อความไหนดัง บ้านไปหมดแล้วเห็นไหมดูเนี่ยมันยากขนาดไหนแต่นั้นเรามาที่นี่มามาสู่เขตปลอดฮมาคิดมาสู่เขตปลอดสิ่งลบลวนเท่านั้นนะแต่ถ้าหากว่าคนไหนที่เก่งแล้วเนี่ยาสามารถที่จะมีสติไม่เผลอไปไอ้สิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยก็สามารถช่วยตัวเองได้ทําที่บ้านก็ได้บ้านยังง่ายกว่านี้ทั้งเยอะเลย ตื่นขึ้นมาไม่ต้องหุงหาหาเลยลำบากซื้อกล้วยมาสักหวีหนึ่ง่ <c oughs> านไปสามวันห้าวันไม่ต้องหุงข้าวให้ยากใช่ไหมถึงเวลาหิวมาก็บีกล้วยใส่ปากเรียบร้อยก็ปฏิบัติต่อไปอมันง่ายแต่ร่างกายไม่มีปัญหาแต่ใครแหละที่ก็ไม่มีปัญหาฮใครแลหและง่ายนั่นแหละเจ้ากี่เจ้าการนะ มันจะเออย่างนั้นจะเอาอย่างนี้อยู่ไม่หยุดไม่หย่อนแหละซึ่งมันจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายจริงๆสําหรับคนที่ทําเป็นก็ง่ายคนที่ทําไม่เป็นนะโอ้แทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยทีเดียวบางคนก็เลยบอกโอ้ฉันยังกเกลเยด น, นะตระหน่ายเยอะโอ้ฉันมีกรรมมีเวรเยอะฉันบารมีไม่พอกว่ากันไป <c oughs> นะั่นเป็นข้ออ้างนั้งนั้นนะ่ะเป็นเอ็กซ์คิว นันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเนี่ยดังนั้นลองดูลองทําให้เป็นเรื่องง่ายดูสิกลับไปบ้านเอาฉันจะเก็บอารมณ์ถ้ามีโยมคนหนึ่งทําได้จริ ง, ยงิยมสมพรที่เก็มาที่นี่นะแค่ทางานก็ว่าหยุดสองวันก็ทําเต็มสองวันแลอยู่สี่วันก็ทําเต็มก็ว่าทำอาหารการกินใส่ตู้เย็นไว้เสร็จก็เก็บตัวเองเข้าห้องเก็บอารมณ์ถึงเวลาก็ไปเปิดอาหารตู้เย็นมาเข้ามาครูเวประทานแล้วเสร็จก็ทําต่อ อ, อือก็ทําได้ ก็มีอยู่กันนะดังนั้นลองลองศึกษาเรื่องนี้ศึกษาเพื่อที่จะไปทําเองที่บ้านเนี่ยนะแล้วก็ให้เห็นความสําคัญเรื่องนี้เป็นสุดยอดสุดปรารถนาจริงๆมัาถึงจะทําได้ถ้าห้าสิบห้าสิบเวลาโอยากนะมันจะต้องเห็นความสำคัญเรื่องนี้ยอดยอดสุดๆเลยแหลนะนะซึ่งมาเลยเล่าหลายครั้งใช่ไหที่บอยสิกากับพระ ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอุบาสิกาไปทำเรื่องนี้เป็นเรื่องของสุดชีวิตจิตใจในธรรมเรื่องนี้ไม่ถึงสามปีมรรลุธรรมเห็นพระอนาคามีแต่พระเอาเนื้อไปทำสามปีเหมือนกันแต่ว่าหลงไปอีกทางหนึ่งแม้แต่โซดาบันก็ยังไม่ได้เห็นไหมมันง่ายต่อการที่จะฉลาดเฉลยไปสู่เรื่องอื่นแต่ถ้าคนที่ตั้งใจจริงๆกับเรื่องนี้ได้หลักจากที่นี่ไปแล้วคือหลักว่าทํากายกับใจให้อยู่ด้วยกันนะ อะไรที่มันนอกเหนือกายเหนือใจไปให้ตั้งขอสังเกตด้วยก่อนว่าเออมันไม่ใช่แล้วเนี่ยปรับใหม่ปรับเสมอขยันปรับกายมันก็จะบอกความรู้สึกเยอะแล้วนอนแข็งเข่งตึงแค่นี้แหละบอกไม่มากจิตมันก็จะบอกว่าเราคิดหรือไม่คิดปรุงหรือไม่ปรุงแค่นั้นแหละมันบอกง่ายๆแต่เราเมื่อเห็นมันไม่ชัดแล้วมันเป็นหลายเรื่องหลายราวแล้วทีนี้มันเป็นเยอะกว่าที่มันมันจะเป็น ดังนั้นเองตั้งแต่มาเข้าใจเรื่องนี้มาโอ้ชีวิตนี้ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยเราก็ไปไล่บอกเรื่องนี้กับคนทั่วไปขเขาก็ทําตามขาเขาก็มีส่วนที่จะทุกข์เขาก็มีส่วนที่จะสุขขึ้นมาได้โดยให้ใจเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรเกินกว่าที่มันนะแต่ว่าคนไหนทําได้มากคนนั้นก็มีความสุขสงบมากคนไหนทําได้น้อยก็สุขสงบน้อยคนไหนทําได้เลยก็อย่างเหมือนเดิมนะดังนั้น เราก็ใช้ความพยายามนะพยายามเรื่อยไปจนกว่ามันจะได้แต่ถ้าหาคนไหนที่ดาได้แล้วนี่ก็ออาอุทิศตัวเองเพื่อเพื่อนมนุษย์ต่อไปนะถือว่าเร า, เาหมดภาร ะ, ะหน้าที่จะไปทำแล้วช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็คือมารวมตัวกันเป็นสังฆนะเนี่ยเป็นสังฆะแล้วก็ทําหน้าที่อะไรก็ได้แล้วทีเนี้ยปรุงหุงหาทํางาน อะไรต่างเพื่อบริการเพื่อนที่เข้ามาศึกษาเรื่องนี้ต่อไปแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ปรารถนาว่าเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วเพื่อที่จะหมด <c oughs> หมดทุกข์แล้วจะช่วยช่วยเพื่อนให้หมดทุกข์ต่อไปก็ไม่ได้ปรารถนาเออทุกชั้นบอลงมาสักหน่อยน่านจะได้มีถับไปทําธุรกิจตัวใหม่นะให้มันเข้มแข็งกว่า น, นี้เพื่อที่เอาเงินมาช่วยพระพุทธศาสนา การที่เอาเงินมาช่วยกับอาทิศ ต, ตัวเองช่วยด้วยแรงในอันไหนมันง่ายกว่ากันแก้ว <c> อ <oughs> ะไรแต่คนนะมันก็มีเงินไขยอย่างนะั้นกิเล่มันบอกก็ <c oughs> เห็นอยู่จัดจาว่าอุทิศ ต, ตัวลงไปทําด้วยมือด้วยเท้านี่แหละมันง่ายกว่าตั้งเยอะใช่ไหมเพราะการที่ไปหาเงินมาเป็นเซ็นเวลาเราช่วยได้เยอะกว่าช่วยให้พระมีกิเลนั้นไ ด, ได้ง่ายขึ้นอนะไรเงี้ย พระก็เห็นเรความสะดวกสบายความสุขเราได้บุญไภพ้พระได้บาปไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะก็พิจารณาให้ดีๆถ้าหากว่ามาถึงจุดนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเป็นอิสระและ้วจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เราเป็นผู้ให้ทำยังไก็สบายเป็นอิสระชีวิตก็ปลดปล่อยผ่อนคลายเมื่อก่อนเราวิ่ง วิหาสิ่งที่เราต้องการแต่เมื่อมาได้ลูกกับนามเขาอยู่ด้วยกันได้ตามต้องการเขาไม่ทะเลาะกันแล้วก็ถือว่าจบมีอิสระภาพไม่ทะเลาะกันต่อไปแล้วก็ลูกนามนี้เขาก็จะปรึกษากันเองว่าเราจะช่วยเพื่อนคนที่เขาเป็นทุกข์อยู่อย่างไรเราก็เคยทุกข์อย่างเขามาก่อน ก็ไม่ยากก็ทําแบบเดียวเราเคยทํามาแบบไหนก็ช่วยเพื่อนแบบนั้นแหละไม่ต้องไปหาทางยากเลยไปคิดหาเรื่องธุรกิจทําน้นทํานีย่ยังยากแต่คิดหาเรื่องช่วยเพื่อนมนุษย์เนี่ยไม่ยากเลยนะง่ายๆนะเราเคยทํายั ง, ยนะยยงไงมีประสบการณ์มาอย่างไรก็เอาประสบการณ์ที่เรามีอยู่ช่วยต่อไปนะโดยที่ไม่ต้องคิดเลยละ่ะแต่เราก็มีความสุขอีกและแจกจ่ายความสุขเพื่อนมนุษย์เราก็มีความสุขแต่น้อยคน ที่จะทําได้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่เจอความสุขที่พร้อมที่จะสละสุขให้คนอื่นมันยังไม่พอที่จะล้นเหลือหรือที่จะให้กับคนอื่นได้เราก็หาต่อไปอาหาเผื่อตรงนี้แหละนะที่มันยากนะท่านั้นก็ลองศึกษาดูให้ดีเพราะพระองค์และพระสาวกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายเหล่านะั้นก็ช่วยเราทั้งหลายแบบเดียวกับแบบนี้แหละก็คือช่วยตัวเองให้มีความสุข มีความเป็นอิสระซะก่อนแล้วก็เริ่มเอาความสุขและอิสระภาพที่ล้นเหลือจากหัวจิตหัวใจของท่านมนาะแบ่งปันให้เราโดยการเดินทางไปบอกวิธีการสาธิตช่วยเหลือเกื้อกูลในส่วนที่มันจะเข้ามาสู่ทางทําได้อันไหนที่มันจะออกไปทางทําแล้วท่านก็ไม่เป็นธุระหน้าที่ของท่านละโลกเขาช่วยกันทุกคนทุกแห่งแต่ช่วยเพื่อให้นักปฏิบัติผู้ที่ต้องการศึกษามีศรัทธาที่ศึกษาเรื่องนี้ให้เข้ามาเนี่ย นอกจากผู้ที่เห็นประโยชน์และอ น, นิสงฆ์นี้เท่านั้นที่จะช่วยกันได้ถูกทางแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาทางนี้ปฏิบัติทางนี้มาเข้ามาช่วยนะมันก็สร้างปัญหาอีกแบบนึงช่วยในทางไม่ถูกช่วยเพิ่มกิเลสช่วยเพิ่มปัญหาเพราะนั้นจะเห็นว่าสำนักปฏิบัติธรรมแทบทุกแห่งมีปัญหาทางนั้นเพราะเอาความดีต้องการบุญต้องการกุศลแต่พอมาทำอย่างนี้ไม่ต้องการบุญกุศลแล้วต้องการจะ แบ่งบุญกุศลที่เรามีอยู่ให้คนอื่นแต่ถ้าเราทำเพื่อที่จะได้บุญกุศลมาเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เพราะมันต้องการจะได้มาแต่พอมาปฏิบัติเนี้ยการปฏิบัตินี้เป็นบุญกุศลอย่างสูงสุดแล้วเนี่ยการที่ทำเนี่ยทำกายกับใจเข้าอยู่ด้วยกัน เ, นเป็นบุญกุศลสุดไม่ต้องทำาล้วอย่างนั้นในจุด น, นี้เราอย่าอย่าดูถูกอย่ามองข้ามการกระทำของเราเนี่ย แล้วก็รู้คุณค่าในการทําไม่ได้ทําด้วยความเบื่อหน่ายซึ่งสังกัดตายได้ทําเสียมีได้หรือทาให้มันพ้นรอดไปวันๆคิดอย่างนี้ไม่ได้เลยแต่ละอาการแต่ละเวลานาทีโอ้ช่างมีคุณค่าเหลือเกินนะเราตั้งใจทําด้วยความเข้าใจด้วยความจะลุกจะขยับแต่และทีช่างเป็นของวิเศษเหลือเกินที่เราจะได้รับรู้ถ้าเรามองเห็นความสัมพันธ์มันจะใช้เวลาไม่นาน เราทําด้วยศรัทธาทำด้วยความรักทําด้วยความทะนุถนอมและเอาใจใส่มันจะใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเราทำแบบเสียไม่ได้หรือทําแบบมันรอเวลาหมดไปวันๆอย่างเงี้ยโอ้ใช้เวลานานเพราะจิตใจมันไม่ได้แช่มชื่นในขณะจิตใจเราแห้งผากเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกแล้วมันโตช้าเนี่ยเพราะดินมันแห้งดินไม่ชุ่มจิตใจของเราในขณะที่ทําเต็มไม่ได้ความ ร้อนร น, นเต็มไปด้วยความอยากให้มันเป็นอย่างที่ต้องการจิตใจเราจะแห้งผากมันไม่ชุ่มด้วยศรัทธาไม่ชุ่มด้วยความตั้งใจไม่ชุ่มด้วยความรักความพอใจในการกระทําจิตใจเราแห้งมันเลยโตช้าแต่หากว่าเราให้น้ําชุ่มอยู่ต่อเวต้นไม้ทุกต้นโตหมดไม่มีถ้ามันไม่ถูกบงถูกหนอนถูกแมลงเจาะ จิตใจทุกดวงที่ทํำด้วยความรักความศรัทธาความเข้าใจเนี่ยมันจะไวทําเรื่องเนี้ซึ่งมาเองมีประสบ ก, การณ์มาก่อนเมื่อก่อนเราทำทำทำทำゆゆเยเยอะเยเยอาไว้คิดว่าเยอะเยะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมันเป็นไปเองอเบื่อก็เลิกขยันก็ทําอย่างนั้นถ้าขยันขึ้นมาโอ้ทำเอาเป็นเอาตายได้ทั้งวันทั้งคืนแต่พอเบื่อเข้ามาทิ้งไปเลย ทุกคนมาขยันทำมันก็ตีไปขยันเบือ่อขยันเบือ่อมันก็ไม่ใช่ต้นไม้เวลาถึงจะลดน้าฝนลดจนจนชุ่มจนโชคเลยพอจะทิ้งก็ทิง้งจนแห้งผากเห็นไหมมันไม่พอดีอะ่ะทุ่มก็ทุม่ทมแต่ต้นไม้แทบจะลากเน่าตายพอแห้งก็แห้งแทบจะกรอบเลยอะ่ะขยนันขยันก็จนชุ่มโชคพอเบื่อมาไม่เอาก็ทิ้งใช่จนแห้ง อย่างเนี้ยต้นไม้มันโตไม่ได้เหมือนกันสู้ที่เราลดทีละนิดพอดีทุกวันให้มันชุ่มสม่าเสมอแล้วต้นไม้มันก็จะโตสม่าเสมอโตวันโตคืนเหมือนความเพียรนี่เหมือนกันมาวัดโอ้โหถำเสีเต็มที่เลยนะช่วงปีใหม่กลับไปบ้านทิ้งหมดเลยบางทีอาจจะขยันในสักสองสามวัน นานไปก็แห้งผากต่อแล้วที่นี่รอปีหน้ามาลดน้ำใหม่โอ้โหเหลือแตกแทบจะดตายอยู่แล้วเหลือเหลือเปือกหุมต้นไม้เท่าไหร่นะที่ใส่น้ำเต็มที่เลยทีนีต้นไม้มันก็โตไม่ทันรากเน่าเฉยเลยนี่นี่เห็นไหมนี่นี่คือข้อข้อสังเกตนะามาเองนะไม่ใช่โยมนะรู้จะใครเป็นพังก็ไม่รู้แหละแต่มาเป็นนะเป็นอย่างนั้น เชื่อไหมว่าเมื่อก่อนขยันถึงขนาดเดินทั้งคืนเลยนะะตั้งแต่สองทุ่มตีสี่สองทุ่มตีสี่แทบจะเพี้ยนน่ะวันหนึ่งมันไปเช้ามาวันหนึ่งไปเห็นต้นไม้มันพลิกเอายอดลงเอารากขึ้นชี้ให้เพื่อนดูว่าที่วัดสนามในนะชี้ให้เพื่อนดูคุณูกเห็นว่าต้นไม้ในวันรากมันทําไมขึ้นอย่างนั้นโอ้พระที่เลี้ยงกันเลยเข้ามาจับแขนดึงไปหาหลวงพเทียนติดอารมณ์เห็นไหมเพราะมันเกินน่ะอ่ามันเป็นโอวโหลดนะ แล้นั่นเองเราก็เหมือนกันที่มันช้ามันเป็นพ่ออย่างนี้เองขยันขยันเกินเบื่อขี้เกียจก็ขี้เกียจเกินไม่พอดีเพราะนั้นเราทําไปเรื่อยๆขยันก็ก็ไม่ทําตามมันขี้เกียจก็อย่าทําตามมันแต่เราทําตามความเป็นจริงทำไปเรื่อยๆขยันก็ทําขี้เกียจก็ทําที่หลวงพ่อชา้า ท, ท่านบอกนะท่นจับ บางครั้งร่างกายจิตใจมันดูมันเหนยมันเบื่อไม่อยากรู้อะไรเลยเนี่ยก็ให้รู้มันอ๋ออาการอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เนาะรู้มันเลยอ๋อเวลามันเบื่อมันเป็นอย่างนี้ตามรู้อย่างใกล้ชิดเลยออาการเบื่อนี่น่าสนใจนะอาการมันเป็นอย่างนี้เองเนาะศึกษามันนะอ๋ออาการขี้เกียจมันเป็นอย่างนี้เองเนาะเมื่อก่อนฉันไม่เคยรู้จักแกเลยนะออแกดูเป็นอย่างนี้เองหน้าตายอย่างนี้เองนะ ก็ดูมันอย่างเข้าใจโอ้อยู่คนเดียวนี่เวลาปฏิบัติเข้าใจเนี้ยแล้วอยู่คนเดียวยิ่งสนุกดูไอ้ตอนกิเลสตัณหาอุบาทานต่างๆเนี้ยมันจะออกมาตอนที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยมันออกมาหน้าตาแปลกๆแต่ตาล่าวาไม่เท่าทันมันนะมันล็อกคอเราไปทางอื่นเฉยเลยนะโอ้โหเรื่องนี้สนุกจริงๆนั่นเขาเรียก ว, ว่าทัศนานุ ต, ตริยะการเห็นอันยอดเยี่ยมอ่าการเห็นตัวนี้ยเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยม การเห็นภาพภายนอกอย่างอื่นหมื่นแสนจะสวยงามขนาดไหนก็ไม่เท่ากับการเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏเห็นแล้วรู้สึกมันเกิดแช่มชื่นเบิกบานเห็นข้อเท้จริงดังนั้นเราจะเอาตัวการเปลี่ยนแปลงของสังขารเม่ว่ากายและจิตเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการปฏิบัติไม่ใช่เอาเรื่องแต่วิธีการสํานักอคูบาอาจารย์เป็นที่ตั้ง แต่เห็นสภาวะที่ปรากฏขณะแต่ละขณะสังขารกายมันปรากฏมันปรุงแต่งให้เราเห็นเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายเดี๋ยวมันสบายเดี๋ยวมันสบายเห็นตลอดเวลาแต่เราต้องดูมันอย่างแยบคายดูมันอย่างชงนสนใจไม่ใช่ไปเป็นกับมันแต่ส่วนใหญ่เราเป็นกับมันโอ้วันนี้เบื่อไม่ตรงประเด็ขอพักสักวันหนึ่งขอไปช็อปปิ้งหน่อยเดี๋ยวมีเวลาก็มาว่ากันใหม่นะหลุดไปจักวัด อาหารดีๆอาหารอร่อยๆไม่ได้ทานหลายวันเอาไปไปนู่นเลยหลุดไปเลยหลุดไปเพราะเราติดในเวทนาเพราะฉะนั้นขยันทําไปจนกว่ามันจะเกิดตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นต้องเป็นสติปัญญามากมายแล้วไม่ใช่นะต้องมีไม่ต้องอาศัยสติปัญญาอะไรมากมายแต่อาศัยความใส่ใจสนใจตั้งข้อสังเกตตังองอ๋สังเกต ซึ่งมันเป็นอะไรบางอย่างที่ดูแล้แลวเห็นแล้วเนี่ยมันมีความสุขมากสําหรับธรรมา เ, เองนะสําหรับคนอื่นไม่รู้พอพอเอามาเป็นอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้คือมันจิตมันเหวี่ยงไ ป, ไปมาขยันบ้างขี้เกียจบ้างมันเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งมันมาถึงข้อที่ว่าเราก็ทํามาเต็มที่แล้วนะมันคงจะไม่มีโอกาสวาสนาเราในชาตินี้ นขนาดเราทํามันที่ไม่มันก็น่าจะถ้ามันจะมีจริงมันก็น่าจะรู้ตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วอบอกว่าเมื่อไม่มีวาสนาบา ร, รมีจะรู้จะเห็นก็เราก็ไม่ได้ทําเพื่อจะเอาแล้วต่อไปจะรู้ไม่รู้เราทําทั้งหมดที่เหลือเนี่ยเราทําเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าก็พอละทําไปเมื่อก่อนนี่ทําเพื่อบูชาตัวเองบูชากิเลสมันมุ่งที่จะเอามันก็ทําตามอํานาจของกิเลสถึงเวลายาก มันมากก็ทําให้มากถึงเวลาเบื่อขึ้นมากก็ทิ้งแต่พอมาเปลี่ยนใจว่าเราจะทําบูชาผู้ดีเจ้าต่างบุริผู้เจ้าเนี่ยเป็นคารมบูชาสูงสุดอยาจะทําอะไรให้ท่านเนี่ยต้องทาดีที่สุดมันก็เลยเออเราจะต่อไปเราทําบูชาผู้ดีเจ้านะต่อไปไม่ไม่ไ ม, ไม่เอาเพื่อตัวเองละรู้ไม่รู้ช่างมันก็ทําอย่างดีเพื่อบูชาผู้ดีเจ้าพอเปลี่ยนใจนี้กลับว่าไม่นาน ม, มันกับรู้เรื่องเออมันเก็ตเลยนะมันเป็นขึ้นมาเลยเป็นให้เห็นเลย ตั้งแต่นั้นมามันถึงเปลี่ยนใจได้เพราะว่ามันมันจะต้องอะไรบางอย่างที่มันจะต้องสุดๆซะก่อนที่จะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติจากการมองเนี่ ย, ยเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนรตาย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เราลักเราหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพาน ไอ้ลราขยันแล้วทําแล้วมาเต็มที่แล้วมันไม่ได้อย่างใจแล้วรู้สึกเหนื่อยหน่ายเบื่อที่สุดแล้วไม่อยากทํำแล้วทิ้งนะหอตั้งจิต น, นั่นแหละเป็นต้นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดโดยสวดสัพเพสังฆาราอนิจจติสัพเพสังฆาราทุคติสัพเพธรรมานาตาัตติยะถ า, าปัญญายะปสติอาธานิพินทติทุเขเอสัมมโควิสุทธาิานะ เพราะฉะนั้นเองในจุดเนี้ยเราจึงต้องดึงกายดึงใจมาร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียวไว้เสมออะไรจะเกิดขึ้นก็ต่างหน้าที่ของสังขารทางกายมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยบำบัดมันไปแต่บำบัดด้วยความเข้าใจว่าเพื่อให้รูปนี้อยู่ได้เท่านั้นไม่ใช่ว่าเพื่อเราชอบเราชัง เวลามันสบายเกินไปเราก็ไม่ได้หลงว่าอยากจะเพิ่มเติมจํานวนให้มันสบายนานๆมันสงบก็อยากจะให้มันสงบนานๆก็ไม่ต้องการเหมือนกันมันสงบได้หล่เอาเท่านั้นมันไม่สงบก็รู้ว่าเออมันไม่สงบแค่นั้นเองให้รู้ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงเพรามันอยู่อย่างเงี้ยสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้แต่ฉันมีหน้าที่จะดูแกอ่าเชิญเลยแกจะฟุ้งซ่านขนาดไหนอ่ แล้วใจสงบขานาดไหนก็เชิญนะดูรู้หนะ้าที่ดูเรื่อยไปไอเ้เล็กๆน้อยๆเหล่าเนี้ทําวันต่อวันนาทีต่อนาทีวินาทีต่อวินาทีตั้งแต่หลับตั้งแต่ตื่นตื่นหลับอ่พาพอจิตมันจะคิดจะปรุงจะแต่งอะไรไปก็อ่าเลตตาดูมันหน่อยแกทําท่าจะไปอีกแล้วนะไปบ่อยเลยกูนะไปทําไมก็ทักทวงเขาหน่อย อันนี้ปล่อยไปใช่จะไม่รู้กี่เรื่องแล้วยังทักท้วงไม่ถูกเลยแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรต้องต้องอทักท้วงเขาไหนเนี่ยพาฉันไปบ่อยแล้วเนี่ยจะไปทำไมหยุดนะสั่งเขาหยุดเลยพอทานี้บ่อยเข้าเบ่อเข้าเราเห็นความไร้สาระของสังขารมัน์ทีงแต่ละสังขารร่างกา ย, ยถึงจะเบื่อจะอยากเขาก็ เ, เป็นอย่างนั้นนะ ก็จะเบื่ออหญ่ๆเขาต้องถึงเวลาเรานันน่งนานก็ปวดก็เมื่อยเวลาเดินนานก็ปวดก็เมตามหน้าที่ของเขาแหละเรามีหน้าที่บำบัดไปแต่จิตของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะนั่งนานมันจะปวดจะเมืม่อยบทีมันก็หาเรื่องคิดของมันโดยที่ไม่มีปีไม่มีคุยแหละอันนี้เราทักทวงได้เพราะฉะนั้นเรามีช้อยข้อเลือกคือว่าในจิตของเราเนี่ยมันเป็นได้ทั้งสังขารและวิสังขารต่ร่างกายของเราเนี่ย ส่มันก็เป็นสังขารโดยถ่ายเดียวเป็นประการเดียวเพราะฉะนั้นไปบัคับบัญชาเขาตามที่เราต้องการไม่ได้แต่จิตของเราเนี่ยมันเป็นได้ทั้งอัตตาและอนัตตาเป็นได้ทั้งสังขารและวิสังขารเพราะฉะนั้นเราจะมีทางเลือกตรงนั้ น, นเราก็เลือกเอาส่วนที่มันเป็นวิสังขารคือไม่ปรุงถ้าปรุงขึ้นมาก็ต้องรู้ทั น, นแต่ถ้าเราจะใช้ ประโยชน์ทางจิตเพื่อคิดภารากิจคิดวางแผนคิดทำการทำงานก็ใช้สติปัญญาอย่าไปใช้ความคิดอย่าไปใช้สังขารทำงานแทนเรามันไว้ใจไม่ได้เพราะสังขารเนี่ยมันไม่มีที่ปิดที่เปิดแต่ถ้าเป็นสติปัญญาเนี่ยมันถ้าต้องการใช้มันก็อ่อนขึ้นมาต้องบทเวลาใช้ก็ออฟแค่นั้น แต่ถ้ามันเป็นสังขารเนี่ยมันไม่มีปุ่มเปิดมันอยากจะเกิดตัวไหนก็เกิดอยากจะดับตัวไหนก็ดับเหมือนไฟไหม้ป่ามันรู้มันเริ่มต้นเมืไหรหมดเชื้อมันก็ดับแต่ถ้าไฟที่เราใช้เนี่ยทำนั้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นระบบที่เราควบคุมมันได้ถึงเวลาใช้เปิดถึงเวลาไม่ใช้ดับสติปัญญาที่เรา <c oughs> ฝึกฝนดีแล้วก็เช่นกันเราสามารถเซตระบบให้มันทางาน โดยที่ถึงเวลาคิดเพื่อทำอะไรก็คิดได้หมดเวลาหยุดแล้วก็มาอยู่กับปัจจุบันวันหนึ่งเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำจริงๆมันมีไม่กี่เรื่องนะใช่ไ้ยหรือบางทีไม่ต้องทำสักเรื่องเลยแต่โมันคิดมาเป็นร้อยเป็นพันไม่มีประโยชน์เลยนี่คือสังขารอ่ะ ดังนั้นให้ให้ไปพิจารณาเรื่องนี้จะทําได้ไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่สำคัญแต่ไปเฝ้าดูต้นเหตุทั้งหมดว่าเวลามันมีอะไรสบายเกิดมาก็ให้ดูมันเป็นทางกลางไม่สบายเกิดมาก็ดูให้เป็นแบบไม่ว่ากายว่าใจดูอย่างนี้แหละไปเรื่อยเรื่อยแล้วจิตของเราที่มันบ่มเพราะการเฝ้าดูมันจะเติบโตเรื่อยเรื่อยๆเหมือนกับต้นไม้ตัวรู้มันเติบโตนะเมื่อตัวรู้ มันเติบโตนี่หมายหมายความว่าการรู้ได้ไวขึ้นได้เร็วขึ้นนะแสดงว่ามันเติบโตแต่ถ้าหากว่ามันไปทั้งหลายเรื่องแล้วเนี่ยมันยังไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้มแสดงมันไม่โตอ่ามันไม่มีกําลังที่ไปรู้เท่าทันไอการเกิดปุ๊บรู้ปั๊บแล้วก็ไม่ต้องจ้องมันรู้ของมันเองนะถ้าไปจ้องที่จะรู้ก็เป็นเรื่องอีกเดียวเครียดอีกมันเกิดปั๊บมันรู้คนปุ๊บอ่าตัดไม่ตัดเป็นเรื่องของเราแต่ให้มันรู้ไว้ก่อนก็แล้วกันเออ บางทีแล้วก็ <c oughs> เวลามราคิดปุงแต่งขึ้นมา <c oughs> เราไม่อยากจะตัดมึงเออฉันรู้นะแกกาลังคิดอะไรอยู่แ <c> ก <oughs> ลองว่าไปเด้อ <c oughs> ฉันจะดูแกอ่าโอ้มัน ม, มันมากเรื่องแล้วนะยุดสั่งหยุดได้ซึ่งดูให้ดีนะดูเฝ้าดูให้ดีนั่นหมายความความแก่ของตัวรู้ของเรามันทําหน้าที่ต่อรองกับความคิดสังขารอะไรได้หลายหลายหลายอย่างนะ ซึ่งตรงนี้แหละมันจะวัดถึงความก้าวหน้าถอยหลังของการปฏิบัติคือรู้เท่าทันใจตัวเองไม่ต้องต้องการให้สมาธิมากๆต้องการให้เป็นไม่มากแค่รู้เท่าทันสังขารแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้มัน <c oughs> พอดีก็ใช้ได้แล้วนะปรับปรุงให้มันพอดีนะอย่าให้มันไปเลยเถิดไม่ได้ห้ามวิธีการอันนี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้คิดแล้วไม่ได้ห้ามม่ให้ทุก แต่จงใช้ความคิดใช้สุกใช้ทุกที่มันปรากฏนั้นให้เป็นประโยชน์นะให้มันเป็นประโยชน์เท่านั้นเองมีท่านหนึ่งถามบอกว่าเอ๊ะก็ใ น, นเมื่อทุกอย่างมันก็ทุกแั้วนั้นหลาจะไปเอาอะไรกันนะมันทุกตามที่เราคิดมันไม่ได้ทุกตามที่มันเป็นบางครั้งขณะที่เราคิดเรื่องนี้เราไม่ได้ทุกก็ ก็เป็นก็มีแต่เรามีหน้าที่รู้เท่านั้นเองจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็รู้รู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวรู้ในกายในใจของเราเด่นขึ้นเด่นขึ้นถ้าบางครั้งรู้สึกตัวเนี่ยที่มันทุกขเวทนารู้บ้างไม่รู้บ้างแต่รู้ได้มากกว่ารูปนามปรากฏจนกระทั่งตัวรู้ในตัวของเราเด่นชัดเห็นสุข ก, ก็ชัดเห็นทุกข์ก็ชัดจิตใจอยู่เฉยๆก็ชัดตลอดเวลา ตรงนี้คือรู้ปรามาตัตดแล้วมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะเบื้องต้นรู้ทุกเวทนามันก็เผอเป็นเราบ้างเป็นของเราไปบ้างแต่ก็ออกจากมันได้ ร, ร, รูปรูปรูนาเบื้องต้นจะรู้แค่นี้บางครั้งก็เผอเป็นเราขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าไปรู้ปรามาตัตดแล้วไอ้ความที่ไปเผอเป็นเราแทบไม่มีเลยมันก็จะมีความรู้สึกตัวล้วนๆเห็นสุขเห็นทุกข์เป็นเพียงอาการไม่ใช่เห็นสุขเห็นทุกข์เป็นเรา แต่ถ้าเห็นสุขเห็นทุกข์เป็เราอยู่มันก็ยังอยู่ในอารมณ์รูปนามไม่ใช่เป็นปรมราภิษณในหลักวิธีการองนเพรเียญเนี่ยมันง่ายมันรัดสั้นแต่เราไปคิดเอามันถึงได้ซับซ้อนมันถึงยากนะเพราะฉะนั้นให้ให้ศึกษาทําความเข้าใจเรื่องนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องหวังไม่ต้องเอาอะไรแต่ถ้าจะหวังถ้าจะเอาคือให้ตัวรู้ให้เด่นให้ชัดให้ไวขึ้น เมื่อมีอะไรมากระทบทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจะรู้เฉยๆไม่ใช่รู้เป็นเรารูา้อาการที่มันมันมีแหละปวดก็รู้ว่าปวดเมื่อยก็รู้ว่าเมื่อยชอบก็รู้ว่าชอบไม่ชอบก็รู้ไม่ชอบคิดก็รู้ว่าคิดไม่คิดก็รู้ไม่คิดแค่คนั้นเองรู้ตรวจสอบอันนี้สําหรับผู้ที่สัมผัสประมาัดก็จะทําง่ายแต่สําสหรับในอารมณ์รูมน้ําอยู่มันยากอยู่เพราะอะไรเพราะเผื่อว่าตัวเราเนี่ยมันเข้าไปบ่อยอยู่ ตัวฉันของฉันเนี่ยมันเข้าไปบ่อยเขาเรียกตัวสกิรยัิฐิเนี่ยมันยังเปลี่ยนไม่หมดก็ทําไปเรื่อยๆรือขึ้นอยู่กับความเพียรแต่ที่มันจะเปลี่ยนเป็นน้ํามันหมดไม่หมดขึ้นอยู่กับไฟขึ้นอยู่กับความร้อนถ้ามันร้อนแรงพอมันก็เปลี่ยนเป็นน้ามันได้ไวถ้ามันความร้อนไม่พอมันก็เปลี่ยนเป็นน้ํามันได้ช้าความเพียรที่ถูกต้องมากพอมันก็เปลี่ยนความรู้สึกเป็นตัวรู้สึกเฉยเฉยได้เร็วแต่ถ้าหากว่าความเพียรยังไม่ร้อนแรงไม่ต่อเนื่องพอ ความรู้สึกนั้นก็ยังเป็นเขาเป็นเราอย่างมากอยู่ยเป็นกะิเป็นส่วนใหญ่อยู่ง่ายไหมง่ายนะย <laughs> เป็นเรื่องอึดใจเดียงจริงก็ค อ, อนมทนาสาธุที่เราได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ทำไปให้มันสบายที่สุดไม่มีวิธีไหนสบายเท่าวิธีนี้แล้วรับรองได้เลย แต่ถ้าทำไม่ถูกโอ้โหมันทุกเหลือเกินนะถ้าทำถูกลโอ้มันสบายก็เรียกสุขาปฏิปทาคิปปิญญาขออนุโมทนาให้เราทั้งหลายให้ทำด้วยความเข้าใจง่ายเห็นง่ายเข้าใจง่ายโดยเร็วด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ